บทว่าพระย ม, มันตรโตชาตังตังโนนาวพุทติความว่าพาละคนเขาคือนะคนเขาที่เป็นมหาชนนี้จะไม่รู้สึกคือไม่รู้จักสิ่งนั้นกล่าวคือโลภะที่เกิดขึ้นในระหว่างคือในภายในถามว่าทำไมจึงเรียกว่าในระหว่างครับเพราะอโลภะมันไม่ได้เกิดตลอดหรอกครับในขณะที่พวังก็ไม่ใช่โลภะขณะที่กุศล ก็ไม่ใช่โลภะขณะที่จิตวิบากและกิริยาเกิดก็ไม่ใช่โลภะแต่โลภะมันก็มาแทรกระหว่างระหว่างระหว่างเรานั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นในภายในจิตนั่นเองนะครับว่าเป็นภยัยนะโดยทั่วๆไปแล้วใครจะเคยคิดนะครับว่าความโลภที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภัยนะนะครับคือเป็นเหตุแห่งภยัยมีการเกิดอนัตถา และความกำเริบแห่งจิตเป็นต้นนะครับจิตก็กำเริบเป็นต้นนะไอโลภานั้นนะครับเป็นเหตุแห่งการปฏิสนธิในพบใหม่นะครับที่ไม่มีที่สิ้นสุดบทว่าลุทโทอัถังนะชานาติความว่าคนผู้โลภแล้วย่อมไม่รู้อัตถะคือประโยชน์เกื้อกูลมีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นตามความเป็นจริงนะครับประโยชน์ของตัวเองเนี่ยนะครับเช่น สมณะเนี่ยนะครับประโยชน์ของตัวเองก็คือศีลสมาธิปัญญาพระไตรปิฎกที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติตามประโยชน์อันนี้ของตัวเองก็ไม่เห็นนะประโยชน์ของผู้อื่นนะครับพวกตัวเองว่าประพฤติปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะเป็นนาบุญของโลกเมื่อไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี้ก็เท่ากับเบียดเบียนมหาชนนั่น ah นะครับนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ตนของประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นก็มองไม่เห็นนะครับก็เลยบางทีก็คิดจะรักษาศรัทธาก็ลดตัวเองไปผิดศีลผิดธรรมนะครับก็ที่จริงแล้วประโยชน์ ที่คนอื่นควรจะได้รับเขาทำบุญสายบาทกับผู้มีศีลไม่กี่ครั้งเขาก็ได้บุญมหาศาลแล้วแต่ตัวเองก็เข้าใจผิดไปนะครับไปยอมเสียศีลเสียธรรมรับใช้ปรนิบัติคารวาดไปทุกอย่างหมดนะครับจนกระทั่งแม้กระทั่งประทุษร้ายตระกูลให้ตระกูลเนี่ยตกจากพระรัตนพร ะ, ะพรัตนตรายให้ไม่เลื่อมายในตัวเองเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นประโยชน์ผู้อื่นที่เขาควรจะได้รับเขาควรจะเจริญงอกงามในพระธรรมวินยัยเขาควรมีจิตใจพักดีมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับทลายประโยชน์ของผู้อื่นเสียสิ้นหมดบทว่าธรรมนปัปสติความว่าคนผู้โลภแล้วคือถูกความโลภครอบงมแล้วมีจิตถูกความโลภกลุ่มลุมแล้วย่อมไม่เห็นคือไม่รู้โดยประจับ แม้ซึ่งธรรมะอันเป็นทางแห่งกุศลกรรมบท10บนะครับนะกุศลกรรมบท10บคือเว้นจากบาณาติบาตนะเว้นจากอธินนาทานการเมสุมิจฉาจาร์เว้นจากมูสาวาทเว้นจากสัมผัสปลาปะเว้นจากปิสุณาวาจาเว้นจากพุทสวาจาเว้นจากความโลภนะครับอภิชาเว้นจากพยาบาทเว้นจากมิจฉาทิฏฐินะครับขณะที่ความโลภเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกุศลกรรมบททั้ง10ประการเหล่านั้นก็มองไม่เห็น ะจะป่วยกล่าวปลายจะได้เห็นอุตริมนุสธรรมนะครับเช่นชานเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเห็นชานเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเห็นมรรคเห็นผลเห็นนิพพานอะไรนะครับแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสคำเมียที่ไว้ว่า ด, ดูก่อนพรามคนผู้กำหนัดแล้วแลอันราฆะครอบงามแล้วมีจิตถูกราฆะกลุ่มรุมแล้วย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง ย่อมไม่รู้ประโยชน์ผู้อื่นตามความเป็นจริงย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นทั้งสองตามความเป็นจริงบ้างนะครับบทว่าอันทะตมังได้แก่ความมืดอันกระทำความบอดบทว่ายังเท่ากับตัปทะแปลว่าในที่ใดจริงอยู่อย่างนี้เป็นปฐมาวิพัฒใช้ในอัตแห่งสัตมีวิภาฒอธิบายว่าในเวลาใด ความโลภครอบงำคือหุ้มหอนรชนในเวลานั้นจะมีแต่ความมืดมนนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่ายังเป็นตัตยาวิพัตนมีการประกอบความว่าเพราะเหตุที่ความโลภเมื่อเกิดขึ้นย่อมครอบงำคือหุ้มหอนรชนขณะฉะนั้นเมื่อนั้นจะมีความมืดมนดังนี้นะครับเพราะว่าสรุปล้วโลภะเกิดเนี่ยนะมีแต่ความมืดมิดนะ น, นะ ในบทว่าโลโพสหเตนี้มีความว่าการครอบงาคือการประชิญแห่งโลภะนนิใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปแล้วการครอบงาคือการปรชิญ น, นี้นั้นคือการดาเนินไปได้แก่การเกิดขึ้นแห่งความมืดอันกระทำความบอดนะครับถ้าโลภามันเกิดครอบงาจิตได้นานขนาดไหนมันก็บอดไปเท่านั้น น, นะนะเหมือนกับตามันเสียนะบางช่วงอ่ะตาถูกอะไรนะมัน ตาแดงอ่ะนะเป็นโรคตาแดงโรคอะไรเนี่ยนะครับมันก็บอดมองไม่เห็นอะไรมันพร่ามัวไปหมดอ่ะนะโลภะเหล่านี้ก็ทําให้ตาปัญญาเนี่ยบอดหมดนะครับไม่สามารถที่จะมองเห็นบุญเห็นกุศลเห็นอะไรได้อลองดูนะครับถ้าเราลองฝึกเจริญดูนะถ้าเป็นพระภิกษุเราเนี่ยนะครับต้นไม้ทุกต้นมันศีลของเราทั้งนั้นแหละครับ แผ่นดินทุกแผ่นดินเนี่ยก็ศีลของเราทั้งนั้นนะยืนทุกครั้งก็ศีลทุกครั้งรูปแต่หัวจรดเท้าก็เป็นกุศลศีลทั้งนั้นนะครับที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับข้าวของเครื่องใช้เพื่อนสาหธรรมิกมองสูงมองต่ำ ม, มองตรงไหลก็มีแต่ศีลอยู่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอ๊กุศลศีลเหล่านั้นน่าจะมองเห็นแต่มองไม่เห็นนะครับขณะที่ถูกความโลภรอบงา ม, มีอารมณ์อะไรบ้างที่พระองค์ไม่สอนจิตตะศิขาไว้นะครับพระองค์เนี่ยเปรียบเทียบให้เป็นจิตตะศิขาให้เป็นปัญญาศิกขาอยู่ในสิ่่งงเหหลานนี้้ทััมดะครบ แต่ว่าโลภะเกิดขึ้นแล้วทำให้มองไม่เห็นนะครับทำให้มองไม่เห็นพระธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้เหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นในข้อนี้พึงเห็นความอย่างนี้ว่าความโลภย่อมครอบงำคือเผชิญนรชนใดเวลานั้นความมืดบอดย่อมมีแก่นรชนนั้นและต่อแต่นั้นคนโลภแล้วก็ไม่รู้อัดคนโลภแล้วก็ไม่เห็นธรรมนะครับ อริยสัจจะทำที่พระองค์ทรงแสดงว่าทุกขสมุทยัยนิโรธมักก็มองไม่เห็นนะครับศีล ส, สมาธิปัญญาซึ่งเป็นแนวทางแห่งอริยมรรคเพื่อความหลุดพ้นก็มองไม่เห็นแล้วนะครับเมื่อ <ME U RA> ไม่เห็นศีลสมาธิปัญญาจะเห็นที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้อย่างไรนะครับจะเห็นพระนิพพานได้อย่างไรเพราะแนวทางแห่งพระนิพพานก็มองไม่เห็นสำน ว, นวนว่าประตูแห่งอมะตะมองไม่เห็นและตัวอมะตะจะเห็นได้อย่างไรนะครับ บทว่าโยจะโลพังปะหันตาวานะความว่าในชั้นต้นบุคคลผู้ใดละโลภะได้ด้วยสมถะวิปัสนาตามสมควรด้วยสา ม, มารถแห่งตะทางฆาปะหานและวิขำพนาปะหานนะครับสมถะนั้นเป็นวิขำพนาปะหานนะครับเช่นเจริญอสุภาษณ์ทั้งหลายการเจริญกายคตาสติอาการ32นะครับหรือแม้กระทั่งการเจริญ อสุภะประเภทศพที่เสียชีวิตไปแล้วนะซากศพที่ตายขึ้นอืดขึ้นพองซากศพที่หมูนอนชอนใช้ซากศพที่แตกปริไปเป็นต้นเนี่ยนะครับไปพิจารณาก็สามารถจะข่มโลภะได้แล้วก็ถ้าวิปัสสนาปัจจุบันนะครับโดยความเป็นขันธ์ธาตุยตนะวิจัยตามเหตุตามปัจจัยนะครับไข่ครวญถึงความไม่มีสาระแก่นสารเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วจะไม่โลภในรูปเป็นต้นที่เป็นทิพย อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภที่ปรากฏแล้วด้วยอนุภาพแห่งวิปั ส, สนาที่มีกําลังเพราะเหตุที่ละได้อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเจริญสมถาวิปั ส, สนาได้แน่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่รูปอันเป็นทิพย์ก็ครอบงําจิตไม่ได้นะครับถ้าทาวิปั ส, สนาหรือว่าปัญญานี่มีกําลังอย่างแรงกล้าบทว่าโลโภ ป, ปหิยเตตัมหาความว่าความโลภอันอริยมักละได้คือสลัดไปได้ ได้แก่สละไปโดยส่วนเดียวจากพระอริยะบุคคลนั้นนะครับถามว่าเหมือนอะไรบอกต่อว่าอุทะพินทวะโปคราความว่าเหมือนหยาดน้ำที่กลิ้งออกจากใบบัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอริยมรรคเนี่ยนะเจริญขึ้นสา ม, มารถที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ระดับอรหัตรมรักแรแเนี่ยนะครับ อันก็ไม่โลภในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภแม้แต่นิดเดียวนะครับแม้แต่พรมทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเป็นที่ตั้งแห่งภาวะตันหาพาหันทั้งหลายก็ไม่เห็นวันหน้าเพลดิดเพลินอะไรตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นคาถาของพาหันนะครับทีนี้โทสะบ้างว่าโทสะให้เกิดความชีพหายโทสะทําจิตให้กาเริบ ชนไม่รู้จักโทสะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภยัยคนโกรธย่อมไม่รู้จักประโยชน์ย่อมไม่เห็นธรรมโทสะย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นก็บุคคลใดละโทสะได้ขาดย่อมไม่ประทุสร้ายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความปทุสร้ายโทสะอันอริยมรัก์ย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนผลตามสุข หลุดจากคั่วฉะนั้นนะครับทีนี้เพิ่งทราบอธิบายว่าความที่โทสะนี่นะครับให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และความที่โทสะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมประโยชน์ตามแนวแห่งสุดบทนะคือบทที่มีอยู่ในพระสูตรเป็นต้นว่าผู้ที่ถูกโทสะประทุสร้ายแล้วทํากรรมแม้ด้วยกายวาจาและใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศล นะครับใช่ถ้าโทสะเนี่ยเป็นเหตุให้คิดความคิดอันนั้นก็เป็นอกุศลนะครับโทสะเป็นเหตุให้พูดคำพูดอันนั้นก็เป็นไปกับอกุศลนะโทสะเป็นเหตุให้ยืนเดินนั่งนอนแม้กระเดินกแบบตึงๆเป็นต้น Ian, ก็เป็นไปกับอกุศลนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกโทสะประทุสร้ายแล้วอันโทสะครอบงำแล้วมีจิตถูกโทสะกลุ้มรุมแล้วยังทุกแม้ใดให้เกิดแก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง ด้วยการฆ่าการจองจําการให้เสื่อมเสียการติเตียนหรือการขับไล่ว่าฉันมีกําลังฉันตั้งอยู่ในกําลังดังนี้แม้ทุกนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมทั้งหลายที่ลามกมากอย่างที่เกิดแต่โทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยมีโทสะเป็นปัจจัยจะเกิดมีขึ้นแก่เขานะครับ ลองคิดดูนะครับถ้อยคําของคนที่เป็นโทสะเช่นถ้อยคําเวลาที่เขาทะเลาะเบาะแว่งกันเนี่ยนะครับสีหน้ากิริยาท่าทางของคนที่เป็นโทสะเนี่ยนะครับแต่ละอย่างนี่ไม่ได้ยังประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นเลยนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ผู้นั้นเลยนะจับตาดูนะครับเวลาใครโกหกแล้วสร้างความเสียหายอะไรบ้างนะครับอันนึงดูก่อนพราหมณ์ผู้อันโทสะปฐุศาลายแล้วแล้วอันโทสะครอบงามแล้วผู้มีจิต อันโทสะหุ้มห่อแล้วคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนบ้างคิดเพื่อจะเบียดเบียนผู้อื่นบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างสเสวยทุกโทมนัดทางใจบ้างนะครับมันก็มีแต่ความคิดทำลายตนคิดทำลายผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยนะครับอันหนึ่งดูก่อนพรามผู้ที่ถูกโทสะประทุสร้ายแล้วแลถูกโทสะครอบงำแล้วผู้มีจิตอันโทสะหุ้มห่อแล้ว ย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนตามความเป็นจริงไม่รู้ประโยชน์ผู้อื่นตามความเป็นจริงบ้างไม่รู้ประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงบ้างนะครับประโยชน์ทั้งหลายที่ควรจะได้รับนะครับประโยชน์คือมรรคผลเป็นต้นของตัวเองที่ควรจะได้ก็เสื่อมเสียหายไปนี่นะครับถ้าเราลองนึกภาพนะครับพระภิกษุที่ขึ้นแสดงธรรมนะครับถ้าถ้ากาลังมีโทสะกาลังแสดงธรรมนี่จะเป็นยังไงครับนะ ประโยชน์ที่ตัวเองควรจะได้รับด้วยกุศลจิตเวลากล่าวธรรมประโยชน์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้ประโยชน์ของผู้ฟังควรที่เขาจะได้รับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนพูดเองก็ได้แต่ว่าจีทูจริตนะครับเต็มไปหมดคนฟังเองก็หูหงุดงิดนั่งเดือดร้อนนั่งรําคาญนะครับมันบาปทั้งคนฟังบาปทั้งคนพูดนะครับมั้นก็บาปกันมันระบาดกันไปถึงกันหมดนะครับมั้นประโยชน์เหล่านี้ก็ไม่เกิดอะไรเลยนะครับ เราก็เคยเห็นนะ น, นี่ในสายโทสะนะครับสร้างในความเสียหายนะครับจริงๆแล้วสัตว์นรกทั้งหมดที่มีอยู่นี่นะครับก็เป็นผลของโทสะทั้งนั้นแหละครับส่วนโมหะแล้วว่าโมหะให้เกิดความชิบหายโมหะทำจิตให้กําเริบชนไม่รู้สึกโมหะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภยัยเคยคิดไหมครับว่ามองไม่เห็นอริยสัจนี่มันเป็นภัยยังไง นะคิดเออนี่ยนะนะนะนะอยู่อย่อย่างเนี้ยตามองเห็นหูได้ยินเสียงกําลังเพลิดเพลินแต่ไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นสมทุกขสมุทัทยนิโรธมากเลยนะไม่เห็นขันธอริยตนะที่เป็นอดีตไม่เห็นขันธอริยตนะที่เป็นอนาคตไม่เห็นขันธอริยตนะที่เป็นอดีตและอนาคตมองไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมันเสียหายอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นภัยอะไรบ้างเคยคิดไหมครับบอกว่าถ้าคิดก็ยังไม่คิดเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหโมหะนี่มันทําให้ชนไม่รู้สึกจริงๆนะครับ ชนเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนหลงก็เลยไม่รู้จักประโยชน์นะครับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่ไหนก็ไม่รู้สักอย่างนะครับแม้กระทั่งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประมาถประโยชน์คือนิพพานก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่เห็นธรรมคือกุศลกรรมบทสิบไม่เห็นธรรมคือสมถวิปัสสนามองไม่เห็นธรรมคือฌานอภิญญามักผลอะไรก็ไม่เห็นสักอย่างโมหะครอบงํานรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นนะครับ มันมีแต่ความมืดอะนะก็คิดดูนะครับเดินดุมดุมดุมดุมถามว่าเดินแบบใครเดินก็แบบเรานะี่นแหละนะเดินแบบนั้นแหละครับคือเดนเดินแบบคนมีโมหะรุ่มรุมนะครับเห็นไหมก็เหมือนกับเราอยู่อย่างเงี้เอามีตามองเห็นเนี่ยเห็นอริยสัจอะไรบ้างเอ้เนี่ใช่เลยทุกทุกกษัมุทยัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาโอ้นี่ศีลสมาธิปัญญาอ้นี่กรรมและผลของกรรมนี่นะครับมองเห็นให้ชัดๆก็ยังยากเลยนะครับ นี่ขนาดอยู่กับพระไตรวิฎกนะถ้าเรากล่าวกันด้วยความสุดจริญใจจริงๆนะครับเออเนี่ยมองเห็นแมววิ่งเนี่ยเออเนี่ยนะทุกโอโหเนี่ยนะจิตชนิดเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะเนี่ยอาศัยกรรมในอดีตนะเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะครับแล้วก็ทําเหตุใหม่เพื่อวัตถุทุกข์อีกต่อไปโอ้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้จริงๆอันอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะต้องทําปริญญาในทุกข์เหล่านี้ละสมุทัยเหล่านี้จึงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์เหล่านี้ได้นะครับนึกเห็นแบบนนนนัั้ยยงไเเคึกลนะ โมหะนี่มันมืดมันมอมอบอดมันกลุ่มรุมกันแล้ววะปัญหาเต็มหัวใจไปหมดแต่ก็แก้ไขยังไงกันเนี่ยนะครับนี่อนุภาพของโมหะเขาขนาดนั้นนะครับก็บุคคลใดละโมหะได้ขาดย่อมไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงถึงได้อุเบกขาลิมิตก็ไม่หลงนะครับพิจารณาหมดเลยนะครับ <c oughs> บุคคลนั้นย่อมกําจัดความหลงได้ทั้งหมดเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ อุทยนะครับดวงอาทิตย์ถ้าโผล่ขึ้นนะครับขจัดความมืดฉะนั้นไม่มีความมืดเหลืออยู่เลยอันหนึงเพื่อทราบความที่โมหะให้เกิดอนัตอนัตถะนะครับทําให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะและความที่โมหะเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งความเสื่อมจากประโยชน์ตามแนวแห่งสุตตบทนะครับว่าเ อ, อโมหะมันเกิดเนี่ยทำให้เสื่อมประโยชน์อะไรบ้างที่มาแล้วเป็นต้นว่าผู้หลงแล้ว แม้ทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจกรรมที่เกิดทางกายวาจาใจนั้นก็เป็นอกุศลที่เป็นอกุศลเพราะอะไรครับเพราะไม่ฉลาดเพราะมีโทษและก็มีวิบากที่ไม่น่าปรารถนานะครับกรร ม, มสกตา ก, ก็ต้องไม่ลืมใช่ไหมกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้บางอย่างให้ผลชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปกรรมเหล่านี้ถ้ามันมีกําลังหนักหนาะสาหัสก็ทําชนกก ร, กรรมถ้ากําลังไม่มากนะักก็ ไปอุปถรัรมภ์บาปอันอื่นออกนะครับไปตัดรอนบุญนะครับไปเบียดเบียนบุญที่มียอยูน่นนะตามทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าบางอย่างก็ให้ผลนำเกิดได้นะารัาไม่ให้ผลนำเกิดในชาติหน้ามันก็จะไปให้ผลนำเกิดในชาติหน้านู้นต่อไปอีกนะครับนี่ถ้าหากว่าโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆอนันตริยกรรมก็สามารถทำได้นะครับสามารถเป็นครุกรรมได้สามารถเป็น อาจินกรรมก็ได้สามารถเป็นพหุลกรรมเป็นอาสนกรรมเป็นกะตะตาวาพนะกรรมเพื่อพบ ต, อต่อไปอยู่ตลอดนะครับเพราะสิ่งที่ทํานี่มันเป็นอกุศลแล้วก็พิจารณาโดยนายเป็นต้นว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้หลงแล้วแรงถูกโมหะครอบงำแล้วผู้มีจิตถูกโมหะหุ้มห่อแล้วคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองบ้างนะครับคือคนพาลหรือคนเขา่าคนไม่เห็นพระสัจธรรมเนี่ยนะครับ เวลาคิดอะไรเนี่ยนะมันคิดเพื่อบาปอกุศลทั้งนั้นเลยนะครับเช่นคิดจะทําบาปอย่างเงี้ยคิดอะไรก็คิดเพื่อความทุกข์ที่จะได้เกิดขึ้นแต่ตัวเองต่อไปในภายภาคหน้าคิดอะไรก็คิดเพื่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคิดแล้วเพื่อความเดือดร้อนของคนทั้งหมดเลยนะครับเราคิดไม่ว่าเอ๊เราจะทําอกุศลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับด้วยเจตนาที่ดีก็ช่างเถอะแต่ว่าสิ่งนั้นๆมันเป็นอกุศลเนี่ยนะครับมันเบียดเบียนตัวเองจริงๆนะครับ เพราะว่าผลที่จะได้รับทั้งหมดเนี่ยใครได้รับครับก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับ น, นะนะบางทีก็สร้างความเดือดร้อนไปให้คนอื่นด้วยแล้วก็ควรพิจารณาพศโดยในเป็นต้นว่าผู้หลงลืมย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนตามความเป็นจริงไม่รู้ประโยชน์ของผู้อื่นตามความเป็นจริงไม่รู้ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นไปเพื่อทําปัญญาให้ดับนะครับทําให้มีวิบากที่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเลย เสร็จแล้วผมก็แต่รู้ว่าตาละปักกังวะพันฒนาความว่าโทสะอันพโยคาวจรนั้นละได้แล้วสลัดออกได้จากจิตเพราะการเกิดขึ้นแห่งมรรคยานที่สมเหมือนผลตาลหล่นจากขั้วเพราะไออุ่นเกิดขึ้นนะครับบทว่าโมหังวิหันติโสสัพพังความว่าพระอริยบุคคลนั้นข่าคือกําจัดได้แก่ตัดขาดซึ่งโมหะ ทั้งหมดนะครับคือไม่ให้เหลือด้วยมรรคที่สี่บทว่าอาทิตย์โจอุทยังตมังความว่าเหมือนอาทิตย์อุทัยนะครับเหมือนพระอาทิตย์อุทัยอุทัยนี่แปลว่าการเกิดขึ้นนะครับการโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะเหมือนพระอาทิตย์อุทัยคือโผล่ขึ้นกําจัดความมืดคืออันตการเสียได้นะครับกําจัดความมืดมิดได้หมดเลยนะครับเค่ ด, ดูนะอย่างเมื่อคือนที่มีความมืดความมิดนะพอดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้มองไม่เห็นมีความมืดที่ไหนเลยนะครับ มันสว่างสว้ไปหมดจะมีแสงไฟขนาดดวงไหนครับจะสว่างได้ขนาดนี้บ้างนะครับไม่มีแสงไหนที่จะสว่างเท่ากับแสงอาทิตย์เหล่านี้แล้วแต่แสงแห่งปัญญานี่สว่างกว่านี้นะครับเพราะสามารถกำจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาได้หมดเลยกำจัดความมืดแห่งสังสารวัตรได้หมดเลยนะครับถ้ามีปัญญาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่มีอะไรที่จะปกปิดพระองค์ได้เลยนะครับ พวกนี้เนี่ยนะครับเช่นโลภะโทสะโมหะเหล่านี้เกิดเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้มองชีวิตแค่พบนี้พบเดียวมันก็ต้องมองพบต่ อ, ต, อต่อไปนะครับว่าอนุภาพของโลภะโทสะโมหะเหล่านี้เนี่ยนะครับมันทําให้เกิดในพบไหนได้บ้างเช่นทําให้เกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์ทุกวันเนี่ยนะครับก็เนื่องจากเชื้อคือโลภะโทสะโมหะในอดีตนั่นแหละครับทีนี้โลภะอ น, นั้นก็ ทำให้มีผลคือวิบากและกรรมมชรูปอันนี้ทีนี้โลภะที่ยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยครับเป็นเหตุแห่งวิบากและกรรมชรูปต่อไปในภพหน้านะครับนะซึ่งกรรมคือเจตนากำเนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่ของตนโลภะก็จะสร้างอุปนิสัยแห่งวัตตะอย่างนี้ไปเรื่อยๆอวิชาก็ปกปิดขวางต้นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสมุทัยในอดีตเป็นเหตุให้มีทุกขสัตว์อันนี้ในปัจจุบันสมุทัยสัตว์อันนี้นะเป็นเหตุแห่งทุกข์สัตว์ต่อไปในอนาคต ทีนี้เมื่อสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์นะครับแล้วก็สมุทัยอันใหม่เป็นเหตุแห่งทุกข์อันมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสมุทัยอันนี้ถูกกาจัดด้วยอรหัตตมัตถทุกอันที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ไม่มีเพราณ์ก็ต้องมาพิจารณาสายใจถึงเหตุเกิดและความด่าว่าเออทุกทั้งหลายเหล่านี้ที่มีเนี่ยเนื่องจากสมุทัยอันนี้นะเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมี ถ้าสมูทายอันนี้ถูกดับทุกอันนี้ก็ต้องหมดนะแต่ทุกอันนี <t ry> <t ry <ES> <t ry> ้เนี่ยทำยังไงล่ะครับจึงจะละคลายได้สมูทายอันใหม่เนื่องจากเพลิดเพลินในทุกอันนี้นะครับเช่นนะที่โลภามันเกิดเพราะเพลิดเพลินทางตาเพลิดเพลินทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะครับซึ่งเป็นผลของสมูทายในอดีตว่าเป็นเหมือน เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นมูลแห่งความลําบากเป็นของที่มีชาติชร า, ชาพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเป็นธรรมดานะครับฉะนั้นเจริญพิจารณาพวกนี้เพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เบื่อหน่ายและคลายกําหนัด ก, ก็ต้องเจริญเช่นเจริญสติสัมโพชงนะครับอาศัยวิเวกนะครับอาศัยวิราคะน้อมไปเพื่อการสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้นะครับ เจริญธรรมะวิจยะสามโพุทชงอาศัยวิเวกอาศัยเวราค่อาศั ย, ศยนิโรธาหนอมไปเพื่อการสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเจริญจนสลัดออกไม่ได้เจตนาที่เกิดร่วมกับกุศลเหล่านี้ก็ยังนําปฏิสนธิอีกนะครับก็รังเกียจแม้กระทั่งเจตนาที่เป็นไปกับวิปัสสนานะครับถ้าอริยมรรคไม่เกิดนําเกิดในภพใหม่อีกต่อไปเองนะครับทีนี้ถ้านําเกิดในภพใหม่จริงอยู่บุญที่ทําให้นําเกิดนะบุญที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนานะครับทําให้เป็นคนฉลาด สมมุตินะครับโหชาตินี้เจริญวิปัสนาใหญ่เลยเกิดชาติหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปเกิดแถวตะวันออกกลางหัวดีมากฉลาดมากนะครับถามว่าจะเอาไปเอาความฉลาดอันนี้ไปเป็นอุปนิสัยให้ทําอะไรครั บ, มรบไม่แน่นะครับอาจจะไปคิดระเบิดประมานูสูตรใหม่นะครับฆ่าได้มากกว่าเดิมนะครับผลิตอาวุธต่างๆนะครับนนะเพราะมันสามารถเอาไปเอาไปใช้ในทางที่วิบัติได้ เช่นเอาตาไปดูสิ่งที่ไม่ควรดูเอาหูไปฟังสิ่งที่ไม่ควรฟังเอาเรื่องเอาความคิดเนี่ยนะครับไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดทั้งหลายนะครับนี่ก็คือเป็นโทษของวาตานี่ขนาดเป็นผลของสมถาวิปัสนาในลักษณะกรรมในผลของกรรมนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่วิปัสนาก็ยังให้ผลนําเกิดอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติเพื่อเบื่อน่ายและคลายกําหนัดในสมถะและวิปัสนาด้วยนะครับขออนุ ญ, ญาต บุญกุศลที่เราได้สั่งสมในทางพระพุทธศาสนาคือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเกิดมาจะต้องไปเกิดในที่อันห่างไกลจากพระพุทธศาสนาอย่างนั้นด้วยเหรอมันจะไม่นําเราไปไปเกิดในที่ที่มันมีพระพุทธศาสนาอีกเลยครับถ้าไม่ตั้งความปรารถนาไว้ให้ดีก็ยากก็ดูนายพรานกุกุตมิตรนะครับนายพรานกุกุตมิตรนั้นอดีตชาตินะครับเป็นประธาน ในการฉลองพระเจดีย์นะครับของของศาสนาพระคสมภร์สัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้มาเกิดในพรานนะครับในชาติสุดท้ายของการเนี่ยนะในชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่เกิดในพรานนะครับข่าวโอ้ยเนื้อวันหนึ่งได้ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรและเชื่อไหมครับว่าภาษารนบทชาติสุดท้ายก็ไปเป็นปริภาชกก่อนนะนะครับ เป็นก็ไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สันชัยก่อนนะครับชัมบุกะชีวกเนี่ยนะครับก็ไปเป็นมิจฉาทิฏฐิก่อนพาหิยะก็ไปสำคัญว่าตัวเองนั้นเป็นเป็นพระอรหันต์นี่ดีนะครับว่าเกิดในยุคสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หรือพระองคุลิมานนะครับ องคุลิมาเนี่ยนะท่านยังไปเกิดเป็นทีเรียกว่าจอมโจรเนี่ยนะสานวนเรียกว่าจอมโจรเนี่ยนะแล้วก็ผู้หญิงอีกหลายคนแม้กระทั่งชาติสุดท้ายก็ยังมาเกิดเป็นสนํานวนว่าโสเพณีเนละ่ทั้งหลายนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับแม้แต่พร ะ, ะปตาจาราเถรีก็มาบ้านะครับมาเพี้ยนนี่คือโทษของสังสารวัตนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นแม้แต่วิปัสสนาก็ยังให้ผลปฏิสนธิทีน่นี้ปฏิสนธิมันไม่ใช่วิปัสสนาแล้วมันเป็นผลเท่านั้นเองหลังจากนั้นเมื่อไปคบ ป, ปาปะมิตรนะครับ ไปอยู่ในปฏิรูปประเทศที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ปายกันใหญ่เลยครับนี่งั้นทำไงดีอาจารย์ก็ต้องอัตตาสมาปณิที่ตรงนี้เนี่ยก็ตั้งความปรารถนาให้ครบแต่บัณฑิตเป็นต้นไปนะครับโอ้ยสาธุก็ต้องตั้งในส่วนนี้ก่อนแหละเบื้องแรกนะครับปรารถนาะอยากได้พบคนพาลขอให้ครบบัณฑิตหรือว่าปรารถนาะขอให้ได้เจริญมีแนวความคิดเป็นไปกับมงคลสาสิบประการนะครับก็ตั้งความปรารถนาอันนี้ไว้นะครับนี้ถ้าไม่ตั้งความปรารถนาอันนี้ไว้ก็ยาก ถ้าตั้งความปรารถนาอันนี้นะครับกรรมบางอย่างเนี่ยมันซักไปเกิดในที่ถิ่นทุรกันดานทั้งหลายแหล่มันก็จะดิ้นรนสแสวงหาเองนะครับถ้าหากว่าตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ไว้นะครับไปเกิดอยู่ในฝากอเมริกาก็จะหันมาศึกษาคําสอนได้นะครับไปเกิดณที่ไหนก็ตามเห็นเทโพธิรูปและจะรรคทันทีเลยนะครับถ้าถ้าตั้งจิตไว้ถูกนะแต่ถ้าตั้งจิตไว้ผิดก็ดีเหมือนกันเนี่ยปกันใหญ่เลยคันนี้แย่เลย